ตาก็จะนําธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้กับพวกเราได้ยินได้ฟังกันในเรื่องของปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมที่พระองค์เรียกว่ากรรมะเิโรทคามินีปฏิปทาปฏิปทาหมายถึงเครื่องดําเนินไปเครื่องดําเนินไปของกาย วาจาจิตว่าเราจะฝึกกายอย่างไรฝึกวาจาอย่างไรฝึกจิตอย่างไรถึงจะทำให้สิ้นกรรมได้น่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่พระตถาคตได้บอกสอนเอาไว้และข้อปฏิบัติตรงนี้คืออะไรซึ่งถ้าเราไปถาม ผู้ที่ไม่ได้ใช้ความเห็นพระตถาคตก็อาจจะมีหลากหลายแบบนะบางที่ก็อาจจะให้ไปออกกรรมด้วยวิธีนอนในโลงบ้างนะเอาผ้าคลุมบ้างนะหรือไปทำวิธีต่างๆนะตามแบบตามความเห็นของเขาถ้าโยมไป ในอินเดียก็คงจะถูกแนะนำให้ลงในแม่น้ำคงคานะพอขึ้นมาแล้วก็สบายลวบริสุทธิ์ละกรรมหมดในอินเดียหลายๆที่ก็จะรูปหญ้าเขียวนะดื่มน้ำโคไมสดุดนะบูชาไฟบูชาดวงอาทิตยนะ์บูชาพระจันทรนะ์ยืนขาเดียวอ้าปากกินน้ำค้าง ก็สารพัดแบบ <c oughs> รัตฐาคตเคยลองมาหมดแล้วนะพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเคยเล่าให้พระสารีบุตรฟังนะว่าท่านเคยทำวัดอันเศร้าหมองต่างๆพวกนี้นะปฏิปทาเปียกแชะปฏิปทาไม่เกลียมได้ทำมาหมดแล้วนะเช่นอะไรเช่นผู้เจ้าบอกว่า ท่านทำตัวเป็นผู้ไร้มารยานะกายเปลือยเปล่านะไม่สนใจอะไรนะทำตัวเป็นชีปเปลือยก็เคยท่านนอนบนน้ำนะเดินบนหน้ำนะท่านไปนั่ง <c oughs> <c oughs> กลางหิมะที่ตกแปดวันในอินเดียช่วงนั้นท่านเคยไปนั่งกลางแจ้งนะ ตากแดดร้อนอยู่อย่างนั้นอะ่ะโดยไม่มีเสื้อผ้าเลยนั่งกลางหิมะก็นั่งโดยไม่มีเสื้อผ้าเลยคิดว่าทำอย่างเนี้ยมันจะทาให้สิ้นกรรมนะมันจะทาให้ถึงความไม่ตายได้เพราะแต่ก่อนเขาสแสวงหาความไม่ตายกันอะไรคือความไม่ตายนะอมตะธรรมทุกคนออกสแสวงหารัตถาคตไปนอนใน คอกวัวคอกควายอาศัยขี้วัวขี้ควายกินเป็นอาหาร <นะ S 1> เด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันเอาไม้มาใช้จมูกชัยหูท่านท่านก็ไม่รู้สึกซึ่งความโกรธความชังปล่อยตัวเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรคิดว่าทำอย่างนี้นมันจะสิ้นกรรมได้ลองมาทุกอย่าง จนกระทั่งเอาใหมนะ่อดอาหารนะเต็มที่เลยนะ <c oughs> ท่านบอกว่าท่านอดอาหารนี่เอามือลูบท้องไปนีนะ่สัมผัสได้ถึงกระดูกสันหลังเลยนะท่านลองทำมาสารพัดนะไม่อาบน้ำเลยก็มีคิดว่าฝุ่นแม้แต่นิดเดียว เราจะไม่ลูบเลยท่านไม่เคยคิดจะลูบฝุ่นออกจากตัวเองหรือแม้แต่อยากจะให้คนอื่นลูบฝุ่นออกจากตัวของท่านผิวของท่านเนี่ยเป็นตะปุ่มตะป่ําเกลกลงไปหมดนั้นผู้เจ้าลองมาสารพัดในช่วงหกปีก่อนแต่การตรัสรู้ลองมาแล้วนะเพราะฉะนั้นใครรู้จริง เรื่องสิ้นกรรมใครรู้จริงเรื่องวิธีแก้กรรมนะพระตถาคตรู้จริงพระาศาสดารู้จริงองค์สมเด็ดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จ ร, จริงจึงไม่แปลกเลยที่ผู้ที่ไม่รู้จริงก็ต่างพูดไปตามความเห็นของตัวเองทําให้ผู้ที่ไม่รู้นะ ก็พลอยเกิดความสงสัยไปด้วยว่าเอ๊ะใครพูดจริงในสังคมนะมันเลยงงเลยสับสนกันไปหมดนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตของผู้ที่ยังไม่หยั่งลงในอริยสัจสี่มันจะเบาเหมือนปุยนุ่นนะ <c oughs> <c oughs> เวลามีลมพัดไปทางซ้ายมันก็ปลิวไปทางซ้ายมีลมพัดปลิวไปทางขวามันก็จะปลิวไปทางขวานะ เพราะมันยังไม่อย่างลากลงในอริยสัจสี่แต่จิตของคนที่ยังลากลงในอริยสัจสี่จะเปรียบเหมือนเสาหินที่ปักลงในดินอย่างแน่นหนาไม่มีการโยกลอนนะแม้จะถูกลมที่พัดมาจากทิศ ท, ทั้งสี่อันนี้แหละ <c oughs> ทำยังไงเราจะทำให้จิตของเราอย่างลงในอริยสัจสี่ได้ มันจะได้ไม่ไหวคลอนไปตามความเห็นของสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเหล่านี้หรือเจ้าลัทธินั้นเจ้าลัทธินี้นะจึงถามลงไปในสังคมว่าใครรู้จริงนะเลื่อนสิ้นกรรมใครรู้จริงเรื่องวิธีแก้กรรมหรือปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมที่พระองค์เรียกว่า กรร ม, มะนิโรทขามินีปฏิปทานะพระตราคตรกล่าวอย่างไรในเรื่องของกรรมนะเรามารู้เรื่องของกรรมก่อนก่อนจะสิ้นกรรมกันนะกรรมคืออะไรนะพระตราคตบอกว่า <c oughs> เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม นี่คือสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบควรทราบเรื่องอะไรต้องรู้ก่อนว่ากรรมคืออะไรนะพูดกันว่ากรรมกรรมกรรมแล้วกรรมมันคืออะไรนะจะไปแก้มันอย่างไรจะไปทำให้มันสิ้นเพราะอะไร <c oughs> เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะและสิ่งที่ควรรู้ต่อไปอีกก็คือว่า อะไรเป็นเหตุเกิดของกรรมพระธถาคบอกว่าพัทะเป็นเหตุเกิดของกรรมพัทะคือการสัมผัสการกระทบกันการกระทบของอะไรของบิญญาณที่เข้าไปรับรู้ทางอายจตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ นะรูปสิยงกินรถผลตภาพธรรมลมพัสสากระทบแล้วอายนะภายในภายนอกกระทบแล้วนะเกิดการรับรู้ขึ้นมานะวิญญาณเข้าไปรับรู้สิ่งต่างๆนี้ขึ้นมานะนั่นแหละเป็นเหตุเกิดของกรรมเวมะตะตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรก กำเนิดเดราจฉานเปรตวิสัยนะมนุษย์โลกเทวโลกพรมโลกมนะีนี่เรียกว่าความมีประมาณต่างๆของกรรมนะความดับของกรรมมีไหมมีพระตถาคตเรียกว่ากรรมะนิโรธคือความดับกรรมกรรมดับเพราะว่าผัสสะดับผัสสะเป็นความดับของกรรม เพราะฉะนั้นกรรมเกิดที่ไหนดับที่นั่ น, นกรรมเกิดที่ไหนดับที่นั่นพัทธะเป็นเหตุเกิดของกรรมพัทธะดับกรรมก็ดับวิบากของกรรมมีอะไร <c oughs> วิบากของกรรมพระธถาคตบอกว่ามีสามระดับวิบากในทิฏฐธรรมแปลว่าวิบากในปัจจุบัน 2. วิบากในอุป ป, ปัชชะเวลาถัดมา และอัปราปริยายะเวลาถัดมาอีกวิบากของกรรมคือผลของกรรมส่งสามระดับตามห่วงของการเวลาในปัจจุบันเลยเวลาถัดมาและถัดมาอีกไม่รู้ว่าถัดไปเท่าไหร่นะทีนี้มาถึงกรรมมันิโรธคาไมนีปฏิปทาปฏิปทาถึงความสิ้นกรรมพอจะทราบไหมว่าอะไรคือวิธีดับกรรม หรือวิธีแก้กรรมที่แท้จริงที่ถูกต้องลองคิดในใจดูนะดูซิว่าจะตรงกับพระตถาคตหรือไม่จะตรงกับความเห็นของผู้นั้นผู้นี้นะที่พูดกันในสังคมหรือไม่นะพระตถาคตบอกว่าปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมคืออริยมรรีองแปด ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจานะสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสมาสมาธิ8อย่างนี้ข้อบปฏิบัติกายวาจาจิต8อย่างนี้เป็นเครื่องดําเนินไปให้ถึงความสิ้นกรรม ถ้าพวกเราทั้งหลายฝึกกายอย่างนี้ฝึกวาจาอย่างนี้ฝึกจิตอย่างนี้กรรมหมดไปได้เหมือนไหมเหมือนบ้างไหมกับที่เราเคยได้ยินได้ฟังในสังคมนะดูบางทีจะต่างกันเยอะเหมือนกันเหมือนกับพูะเจ้าไปเจอนางพลามณีอยู่คนหนึ่งเขากำลังทำพิธีแก้กรรมอยู่เหมือนกันบูชาบวงสวง ผูเจ้าเดินไปก็ถามว่านางทำอะไรเหรอนางพรมามณีก็ตอบว่าเราทำพิธีปัญจาโลหินีปัญจาโลหินีของเธอทำอย่างไรล่ะเขาก็บัญญายไปเขาก็เอาเนยใยเนยข้นน้ำมันน้าพึ่งน้ำอ้อยมาอ่ามาสาซาใสาไฟนะอเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มานะาบวงสรวงบูชาแล้วก็าบอกตรงเนี้ยกรรมก็จะสิ้นไปได้ แล้วเขาก็หันมาถามพระตถาคตหันมาถามพระพุทธเจ้าของเราว่าแล้วท่านละ่ะมีวิมีพิธีปัญจโลหินีไห ม, มพระุเจ้าก็บอกมีปัญจโลหินีของเราก็มีพระองค์ก็บอกว่าอริยมัสมีองค์แปดคือปัญจโลหินีของเราคือวิธีแก้กรรมของเราท่านก็บรรยายไปมัสมแปดเป็นอย่างไรให้นางปลามณีฟัง นางพรามณีฟังแล้วบอกโอ้โหวิธีแก้กรรมของพระตถาคตแยบขายมากลึกซึ้งกว่าเราหลายเท่านักนะเห็นหเจ้าลัทธิในสมัยก่อนนางพรามณียังยอมรับความเห็นของพระตถาคตเลยนะและพอฟังแล้วว่าโอ้มันห่างชั้นกันมากนะเทนี้มาดู <c oughs> ดูตั้งแต่ข้อแรก ใน8ดข้อเนี่ยสองข้อแรกเนี่ยพระตถาคตสงคร้อเข้าในกลุ่มของปัญญาสข้อกลางสงคร้องเข้าในส่วนของศีลสาข้อท้ายสงคร้องเข้าในส่วนของสมาธิเพราะฉะนั้นตัวมรรคมีองศจึงเริ่มจากปัญญาสองข้อศีลสมข้อสมาธิสข้อปัญญาศีลสมาธิ ส่วนมากมีองค์แปดเวลาพูดย่อๆเหลือสามส่วนผู้เจ้าจะพูดว่าศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าพระตถาคตพูดย่อเหลือสองผู้เจ้าจะพูดว่าอย่างไงใครรู้ใครรู้ย่อเหลือสองฮะไม่ใช่ถ้าผู้เจ้าย่อเหลือสองคืออะไร สมถะกับวิปัสสนานะ <c oughs> จิตนิ่งเห็นเกิดดับจบแล้วแก้กรรมได้แล้วนะสั้นๆ น, นะ <c oughs> นี่ถ้าอย่างสั้นสมถะคือจิตมีอารมณ์อันเดียวจิตมีอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวคืออารมณ์อะไรนะอารมณ์ปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรได้บ้างเช่นสติวัฏฐานสกลกายเวทนาจิตธรรมสอย่าง หรือยกมาอันหนึ่งกายานุปัสนาสีประธานนะคืออะไรรู้การเคลื่อนไหวรีบดรู้ลมหายใจรู้การทํางานในปัจจุบันนี่ตัวอย่างนี่วิธีสิ้นกรรมนะต้องไปทําอะไรไหมต้องไปเสียเงินทองไหมไม่ต้องเลยนะต้องวิ่งไปที่น้นที่นี่ไหมไม่ต้องนั่งเงียบๆอยู่กับบ้าน สบายสิ้นกรรมได้นะไปดูมักมีองแปดไล่มาทั้ง8ข้อ <c oughs> ปฏิบัติอย่างไรหนึ่งสัมมาทิฏฐิคาว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นสัมมาทิฏฐิมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าใดใครไม่รู้อริยสัจสีคนนั้นชื่อว่ามีมิจฉาทิฏฐิใครรู้อริยสัจสี่ผู้นั้นชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐินะความเห็นที่ถูกต้อง แล้วอริยสัจสีเนี่ยแม้ฟังแล้วมันกว้างขนาดไหนกันนะจริงๆแล้วก็แค่เห็นเกิดก็เห็นดับเพราะสิ่งที่เรากำลังเข้าไปเห็นก็คือกองทุกนั่นเองกายจิตอารมณ์ของเราคือสิ่งที่เรากำลังเข้าไปเห็นเข้าไปเห็นเห็นอะไรของมันลหละถึงจะเรียกว่ามีสมาธิเห็นมันเกิดเห็นมันดับ ส อ, อย่างแค่นี้เกิดคือสมุทยัยดับคือนิโรธนะขณะที่เรากําลังเข้าไปเห็นธรรมชาติเหล่าเนี้ตามความเป็นจริงเรียกว่าเรากําลังเจริญมรรคน ะ, จะเจริญข้อปฏิบัติเพื่อให้รู้ซึ่งสัจจะความจริงของธรรมชาติ <c oughs> ว่าธรรมชาติคือกายจิตอารมณ์ของเราเนี่ยมันมีความจริงอย่างไร และความจริงตรงนี้ที่มันเหมือนกันหมดทั้งโลกธาตุคืออะไรมันเกิดและมันดับหยิบมาเลยต้นไม้เกิดไม้ดับไม้ภูเขาเกิดไม้ดับไม้รถยนต์บ้านคนสัตว์สิ่งของต่างๆภูเขาแม่น้ำลำทานเกิดแล้วแตกสลายหมดไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่ดับเลยลากไปจนถึงนามธรรม สุขเกิดขึ้นมาดับไหมดับถ้าไม่ดับมีใครยืนยันว่าตัวเองสุขแช่ได้ทั้งวันไม่มีการดับมีไหมไม่มีนะความทุกข์ดับั้มดับมีใครทุกข์แช่ทั้งวันมีมั้ยไม่มีอีกเหมือนกันแต่เวลามันดับเนี่ยเราไม่เคยสังเกตเมื่อเราไม่เคยสังเกตเราจึงไม่เห็นอริสัต์ไม่เห็นความจริงของมันนะและเวลามันเกิดก็ไม่สังเกตอีกเหมือนกัน เวลามันดับก็ไม่สังเกตไม่รู้ว่าถ้าสังเกตการเกิดการดับแล้วมันจะได้ประโยชน์นี่คือไม่มีปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสไม่มีสัมมาทิฏฐินั่นเองนะเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิจึงตีกรอบเข้าไปแค่เห็นเกิดดับหรือเห็นอริสัตแค่นีนะ้ทำแค่นี้ได้สัมมาทิฏฐิแล้วนะเอาสั้นๆก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยขยายความไปในแต่ละมรรค สัมมาสังกปราทำอย่างไร <c oughs> มาข้อที่สองบุคคลนั้นเนี่ยภิกษุนั้นเนี่ยมาทิ้งความคิดอกุศลอกุศลคืออะไรการพยาบาทเบียดเบียนสามความคิดนี้การพยาบาทเบียดเบียนนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาใช้ความเพียรในการที่จะละ ความคิดอกุศลสามอย่างนี้ออกไปจากใจพูุ้ทธเจ้าบอกว่าผู้นั้นกำลังเจริญสาัมมาสังัปปะแล้วกำลังปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมแล้วนะเหมือนกับใครเขาบ้างไหมเนี่ยนะดูจะไม่เหมือนอีกแล้วข้อที่สองนะไปดูข้อที่สาม <c oughs> พระองค์บอกว่า เธอต้องปฏิบัติวาจาอย่างนี้คือไม่พูดโกหกคําหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดสี่อย่างนะยมคุมสี่อย่างคุมวาจาสี่อย่างนี้ถามว่าโยมต้องคุมใจตัวเองไหมต้องคุมใจตัวเองเพราะปากมันจะพูดออกมาได้ใจมันต้องสั่งก่อนแต่เราพูดจนชนานาญเลยเหมือนกับว่าพูดแล้วไม่ต้องคิดก็ได้ลองหยุดพูดสักวันหนึ่งเนี่ยอืจะรู้สึกเลยว่ามันคันมาก นะมันอยากจะพูดนะอยากมากอาตอมาเคยไม่พูดดูสามสี่เดือนโอ้โหออกมาในพูดจ้อยๆเลยนะ ม, มันอัดอั้นมานานนะ <c oughs> การไม่พูดโกหกคืออะไรนะไม่รู้ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดพร้อยๆเป็นเทศเปล่าๆ นี่ลักษณะของการพูดไม่จริงนะการพูดคําหยาบคืออะไรคำพูดที่พูดแล้วเสียดแทงใจคนอื่นนะคําพูดส่อเสียดเป็นอย่างไรนะคำพูดส่อเสียดเนี่ยส่อเสียดในภาษาไทยมันเหมือนกับว่าพูดเสียดแทงใจคนอื่นนะแต่พระเจ้าจัดไปอยู่ในคำหยาบ แต่คำพูดส่อเสียดของผู้เจ้าเนี่ยหมายถึงคำพูดยุยงให้เขาแตกกันนำความฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายนี้นำความฝ่ายนี้มาบอกฝ่ายนี้ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยแตกรล้ากันนะนี่เรียกว่าคำพูดส่อเสียดคือภาษาไทยคือพูดยุยงให้เขาแตกกันนะไม่สมานความสามัคคีชอบความแตกรล้ากันนี่พวกนี้ไม่ดีนะอย่างสุดท้าย นะอย่างที่สี่คำพูดเพ้อเจ้อเป็นอย่างไรนะ <c oughs> คือคาพูดที่เป็นวาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่มีเวลาจบไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่สมควรแก่เวลาเป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียนี่คือลักษณะคาพูดเพ้อเจ้อยมคุมวาจาในสี่อย่างนี้นี่กําลังปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ข้อต่อไปอะไรสัมมากัมมันตะนะก็คือปฏิบัติกายให้ถูกต้อง3ามอย่างสิน5้าสามข้อแรกนั่นเองไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปิดในกรรมนะปฏิบัติสมข้อนี้นะโยมได้มักมีวเป็นหนึ่งข้อสัมมากัมมันตะและกำลังปฏิบัติข้อปฏิบัติ หรือปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมแล้วเราไม่ฆ่าเขานี่เรางดการเบียดเบียนแล้วนะไม่ขโมยก็งดการเบียดเบียนไม่ประพฤติผิดในการมก็งดการเบียดเบียนอีกเหมือนกันแล้วพระเจ้าบอกว่าใครปฏิบัติสามข้อนี้เรียกว่าเป็นมหาทานชั้นเลิศโยมบอกว่าโอ้โหไม่มีเงินทําบุญเลยทําไงดีอยากจะทําทานนี่เลยรักษาศีลห้าสามข้อแรกนี้ เป็นมหาทานชั้นเลิศมหาทานอย่างไรโยไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยผู้เจ้าบอกเท่ากับเป็นการให้ทานชีวิตสัตว์อย่างไม่มีประมาณนี่การไม่ลักขโมยเป็นการให้ทานทรัรรพย <c oughs> ์อย่างไม่มีประมาณเนี่ยการไม่ประพฤติผิดในการก็เป็นการให้ทานของลักอย่างไม่มีประมาณ อาตมามานึกถึงสมัยเด็กๆนะตอนเช้าตื่นมาเข้าห้องน้ำนะเปิดห้องน้ำมาก็จะเจอยุงเกาะเต็มห้องน้ำเลยอาตมาก็จะตบยุงติด ก, กำแพงเต็มไปหมดเลยเลือดสาดเต็มกำแพงยุงตายไปหลายร้อยเหมือนกันด้วยความสนุกมากนะเพราะเราไม่มีสินวันๆหนึ่งทุกวันเนี่ย ชีวิตจะต้องตายเพราะเราเป็นร้อยๆชีวิตใช่ไหมแต่พอเราลักษาศินห้าปั๊บนี่ชีวิตไม่ต้องลบตายเพราะเราเป็นร้อยชีวิตต่อวันเห็นนะเป็นการให้ทานชีวิตไหมเห็นง่ายๆเลยนะมาหาทานชั้นเลิศเป็นอภัยทานเอเวราทานอพยปาชาทานนะเป็นการให้ทานด้วยการไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาลนะมันไส้มันเหมือนกันนะ่ะ มันกัดเราอยากตบแต่ก็ไม่ตบอะให้อภัยมันหน่อยใช่ไหมเทนี้ข้อต่อไปไปดูสัมมาอาชีวะพระตาาคตจัดอย่างไรสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตที่ไม่เบียดเบียนนะบอกง่ายๆสั้นๆ น, นะอย่าเลี้ยงชีวิตเบียดเบียนการโกงด้วยตาช่าง การโกงด้วยเครื่องนับนะการพูดโกหกพูดหวานล้อมด้วยเล่ห์กนะ็สารพัดอย่างนะหรืออาชีพที่พระองค์บอกว่าอย่าไปทำเลยนะห้าอาชีพนี้ไม่ดีเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนค้านำเมาค้ายาพิษค้าเครื่องประหารค้าสัตว์มาเป็นอาหารค้ามนุษยนะ์ห้าอย่างนี้ไม่ควรทำ เพราะฉะนั้นอาชีพอื่นก็อยากจะทําก็ตามสะดวกนะอาชีพในโลกมีจี ป, ปาถะเป็นร้อยเป็นพันนะผู้เจ้าไม่เป็นนั่งบรรยายว่าอาชีพอะไรทําได้บ้างนะเอาแค่ว่าอาชีพอะไรมันไม่ควรทําอย่างยิ่งนะบอกไว้แค่ห้าอย่างพอละนะสัมมาวายามะคืออะไรนะสัมมาวายามะพระองค์บอกว่าผู้นั้นเนี่ย มีความเพียร <c oughs> ที่จะทำอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นนะอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วต้องรีบละไปะทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ส่งไวน้นี่คือความเพียรสี่อย่างหรือเรียกว่าสัมมาประธานสี่ก็ได้ความเพียรของเราต้องทำตรงนี้ เพราะฉะนั้นเวลาอากุศลเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วเนี่ยดูสิเหมือนกับสัมมาสังกปปะไหมจะตัดสอดคล้องกันเลยเธอต้องใช้ความเพียรความพยายามทุกอย่างที่จะละอกุศลนั้นให้ได้เพราะองค์เปรียบเหมือนไฟที่ไหม้เสื้อผ้าของเราเนี่ยถ้าไฟไหม้เสื้อผ้าของเราอยู่หรือไฟไหม้ผมบนศรีรษะของเราอยู่พวกเราต้องรีบดับไหมต้องรีบเนาะ ต้องรีบก่อนอย่างอื่นเลยถ้าลุกไหม้ตอนนี้โยมเลิกฟังอาตมานแน่นอนเลยค <c oughs> งต้องวิ่งเข้าห้องน้ําหาน้ําดับไฟใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าฉันใดก็ฉันนั้น <c oughs> นะเมื่ออกุศลเกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยเธอต้องรีบทิ้งอย่างเร็วที่สุดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดู นะพระสูตรที่พระตถาคตตัดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะว่าอากุศลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าไปเลี้ยงมันไว้นะเลี้ยงมันไว้ไม่ดีแน่นอนเลยความเพียรที่โยมทำเนี่ยโยมต้องทําแน่นอนถ้าใครมาบอกว่าเธอทําความเพียรเพื่อละอกุศลมันไม่ดีมันเป็นกิเลสนโะยมอย่าไปเชื่อนะอืมอย่าไปเชื่อเชื่อพระตถาคตดีกว่าพระเจ้าตัดอย่างไร ท่านบอกภิกษุนั้นพึงพิจารณาสืบไปว่ามีอยู่หรือไม่หนอบาปอากุศลธรรมที่เรายัางละไม่ได้แล้วเป็นอันตรายแก่เราผู้กระทํากาละลงไปในคืนนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้สึกว่าบาปอากุศลธรรมอย่างนั้นมีอยู่ภิกษุนั้นพึงกระทําซึ่งฉันทะวายามะอุตสาหาอุโสลหฮีอปติวานีสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้า เพื่อละเสียซึ่งบาปอากุโสลธรรมเหล่านั้นเช่นเดียวกับบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะอันไฟลุกโพร่แล้วจกะกระรทมฉันทะวายามะอุสาหอุโสระหีอปติวานีสติและสัมปัญญะอันแหลงกล้าเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียฉันใดก็สำ น, นั้นเห็นมหมยืนยันโดยพุทธวจนะคาพระตถาคต สั่งให้เราใช้ความเพียรเข้าไปดับนะต้องตั้งเจตนาดับให้แล้วดับให้เร็วด้วยและถ้ายมดับได้รวดเร็วนะดุจกระพริบตาพระองค์ตรัสว่านี่คืออินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนะเพราะฉะนั้นเวลาอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตาม เธอต้องดับให้เร็วที่สุดนะดูพระตาคตตัดอย่างไรอนนณ์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิสุจน์นั้นย่อมดับไปเร็วเหมือนการกระพริบตาของคนส่วนอุเบขายังคงเหลืออยู่นี่แหละเราเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินยัย เพราะฉะนั้นถ้าใครให้โยมเลี้ยงอารมณ์ไว้นี่อย่าไปเชื่อน่ะอืมเพราะพระาศาสดาบอกว่าเธอต้องทิ้งอารมณ์ให้ไวไวขนาดไหนกระพริบตาเดียวหรือพระองค์บอกว่าเปรียบเหมือนบุรุษดิดนิ้วปั๊บน่ะอารมณ์นั้นต้องดับหรือเปรียบเหมือนหยดน้ําหยดลงในกระทะร้อนๆฟ้าป๊บเดียวต้องหายไปนี่เพราะฉะนั้นความเพียรของเรา ต้องเพียรที่จะละอารมณ์ที่ไม่ดีออกจากใจให้เร็วที่สุดนะเพราะฉะนั้นเวลาโกรธมาดีดนิ้วเยอะๆดับไปดับไปดับให้เร็วนะดีดไปสิบรอบยังไม่ดับเลยนะ <c oughs> ก็กระพริบตาเข้าเยอะๆนะอย่าเลี้ยงไว้บางคนก็เลี้ยงข้ามวันข้ามคืนไปเรื่อยๆนะไม่มีประโยชน์ เรายิ่งเลี้ยงอกุศลมากเท่าไหร่นเดี๋ยวก็ไปด่าเขานดไปทําร้ายเขาเดี๋ยวก็ลามไปถึงไปฆ่าเขานแบบพระเทวทัตเลี้ยงอกุศลไว้นานเป็นยังไงเลยคิดฆ่าพระพุทธเจ้าเลยเห็นไหมไม่ยอมวางอากุศลนน่ะนะความคิดนี้จะเดินหน้าไปเรื่อยเดินหน้าไปเรื่อยเดินหน้าไปเรื่อยอย่างนี้อืมเพราะฉะนั้นสัมมาวายามะ ดับอกุศลให้ไวแล้วอะไรเป็นกุศลล่ะอยากสร้างกุศลสร้างอะไรพระพุทธเจ้าบอกกุศลาสีอะไรคือความเป็นกุศลที่แท้จริงเราไปวิ่งหากุศลวิ่งหาไปเถอะนะสิ่งนั้นเป็นกุศลทำอย่างนี้เป็นกุศลนะเขาว่าไปไหว้ที่โน่นไหว้ที่นี่ทำบุญที่นั่นที่นี่เป็นกุศลพระเจ้าบอกกุศลาสีที่แท้จริงคือ จเจริญสติปัฏฐานสอ่าเพราะฉะนั้นมามักมีองค์8ข้อที่7สัมมาสติพระตถาคตจึงบอกว่าให้ตั้งสตินะตั้งจิตไว้ในฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมนะสติแปลว่าการละลึกได้จิตเรากำลังเพลินกับอลรมณ์ไปคิดอดีตเพลิ น, ลนไปคิดอนาคตเพลิ น, ลนไปนะ มีสติระลึกได้กลับมาอยู่กับอะไรกลับมาอยู่กับกายของเราหรืออุเบกขาเวทนาหรือจิตผู้รู้หรือธรรมธรรมคืออะไรให้เห็นอาการของมันอาการอะไรอาการไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีการระลึกได้กลับเข้ามา รู้เข้ามาเห็นเข้ามาตั้งไว้ในฐานทั้งสีน่นี้เรียกว่าผู้นั้นมีสติสัมปชัญญะแล้วสติแปลว่าการระลึกได้กลับมาแล้วจะเหลือสัมปชัญญะความรู้ตัวนะเพราะนั้นผู้เจ้าไม่จะพูดติดกันเลยมีสติและสัมปชัญญะสติเกิดแว บ, บหนึ่งดับไปแล้วเหลือสัมปชัญญะคือความรู้ตัวแต่ถ้ายมระลึกได้เช่นกาลังเพลินกับอดีต แล้วระลึกได้ไปเพลินกับอนาคตอย่างนี้เรียกว่าขาดสติเหมือนเดิมนะอืมยังใช้ไม่ได้หรือเรียกว่ามีนันทิแปลว่าความเพลินคูเจ้าบอกเธออย่ามีนันทินะอย่าเพลินนะให้เธอตั้งไว้ซึ่งกายเวทนาจิตรำเพราะความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุ ป, ปาทานถ้าเธอเพลินเธอยึดแล้วเน่ยเรียกว่าเธอมีอุปทาน ภิกษผู้มีอุปทานปรินิพานไม่ได้ <c oughs> ถ้าเรายังเพลินอยู่แสดงว่าเรามีอุปทานเรามีอุปทานเราปรินิพานไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องไม่เพลินและการละความเพลินจําสั้นๆง่ายๆก็ได้ละนันทิจิตหลุดพ้นเลยเพราะอะไรพระตถาคตตรัสอย่างนี้นันทิขยาราคะขโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือความพอใจเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเพลินนันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตติบุตติเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีเห็นไหมจิตหลุดพ้นก็พ้นกรรมดับกรรมอยากดับกรรมง่ายๆจาคาเดียวละนันทิคือความเพลินจิตหลุดพ้นเลยนะ เพราะมันเป็นหนึ่งในอริยมรรคมีองค์แดแค่นั้นเองง่ายๆเห็นไหมเพราะนั้นจะขยายความก็ได้จะสั้นก็ได้ยาวก็ได้สั้นได้มีหมด <c oughs> สติปัฏฐานสนะละลึกได้กลับมาสู่กายเวทนาจิตธรรมยกมาอย่างหนึ่งกลับมาสู่กายกายานุกัศนาสติปัฏฐานคืออะไรนะกลับมารู้อยู่ซึ่งลมหายใจ กลับมารู้อยู่ซึ่งการเคลื่อนไหวรีบทกลับมารู้อยู่ซึ่งการทำงานในปัจจุบันของเรานะที่พรกเจ้าตรัสกับพานนทว่านี่เรียกอีกอย่างว่าอนุสติฐานที่6นะคือจิตอธิษฐานการงานการทำการงานในปัจจุบันกลับมาตรงนี้แค่นี้ชื่อว่าเธอมีสติสัมปชัญญะแล้วถ้าโยมละลึกได้แล้วโยมตั้งจิตไว้อยู่กับลมหายใจ ต่อเนื่องยาวนานเรียกว่าเรามีสัมปชัญญะนะถ้าสามารถมีสัมปชัญญะต่อเนื่องยาวนานไปได้เรื่อยเรียกว่าเรามีสมาธิสติดูนะดูอีกทีนะสติละลึกได้กลับมามีสัมปชัญญะสัมปชัญญะต่อเนื่องยาวนานเรียกว่ามีสมาธิก้าใจมั้ยนี่สติสัมปชัญญะสมาธิแยกกันอย่างนี้นะ <c oughs> และสติปัฏฐานทั้งสีนี้เรียกอีกอย่างว่าที่เที่ยวของจิตถ้าเธอจะเที่ยวไปให้เที่ยวไปในสีที่นี้อย่าไปเที่ยวห้างอย่าไปช้อปปิง้งเที่ยวได้บางครั้งบางคราวอย่าไปบ่อยนะเดี๋ยวเงินจะหมดกระเป๋านะเจอความเพลินเข้าไปนะมันจะดึงเงินเราบินหนีออกไปจากกระเป๋าเพราะฉะนั้นให้เที่ยววนอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมนี่ตรงนี้นะ ถ้าเราทำอย่างนี้ชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะถูกต้องแล้วข้อสุดท้ายคือสัมมาสมาธิ <c oughs> นี่ไงสัมปชัญญะต่อเนื่องยาวนานเรียกว่ามีสมาธิสมาธิมีหลายแง่หลายมุมมุมหนึ่งก็คือการเข้าฌานที่หนึ่งสองสามสี่พระตถาคต <c oughs> บอกการเข้าชาญหนึ่งสสไว้นะเรียกสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะนีนะ่สัมมาสมาธิที่ถูกต้องในอริมาร์มีองค์8คนพูดเรื่องสมาธิกันเต็มไปหมดเลยก็พูดกันไปหลากหลายแบบบัญญัติกันไปหลากหลายแบบแต่พระตถาคตบัญญัติอะไรบัญญัติปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจายเจตนะ วิญญาณัญจาจัตนะอากินจัญญาจัตนะเนวะสัญญาณาสัญญาจัตนะสัญญาเวทิตานิโรธ น, นะเก้าระดับของสมาธิหมดแล้วแค่นี้นะเราอาจจะเคยได้ยินว่าเอมีการบอกว่ามีคณิกะอุปจาระอปันนาเคยเช็คไหมลองเช็คให้ดูนิดหนึ่งนะตอนนี้เราโปรแก ร, รมพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ย เข้าไปในคอมพิวเตอร์หมดแล้วและใส่โปรแกรมสำหรับการตรวจเช็คเวลาโยมสงสัยคำว่าอะไรใส่คำนั้นลงไปแล้วให้มันสแกนทั้งพระไตรปิฎกเลยโยมจะทราบว่าคำคำเนี้ยพระตถาคตเคยตรัสเอาไว้ไหมนะลองใส่คำว่าคณิกะสมาธิก็ได้สแกนดูปับ๊บในบาลีสามลัฐเป็นภาษาไทยกดทั้งสี่ิบห้าเล่มขึ้นหมายติ๊กถูกกดค้นหาปับ๊บไม่เกินสิบวินาทีใจเย็นๆนะอ่าเดี๋ยวจะทราบว่า คำคำนี้มีในพุทธวจนะหรือไม่นะสแกนไปถึงสุดตันตปิฎกสแกนถึงอภิธรรมปิฎกนะจบสุดท้ายไม่มีนะนะไม่มีข้อมูลลองสแกนคำว่ า, อ, าอะไรดีล่ะจะเอาอะไรดีมีเยอะแยะให้สแกนตอนนี้นะนั้นเราตรวจสอบอะไรอะไรอีกหลายอย่าง นะลองไปดูในตารางนะขอภาพรวมของตารางนะนตอนนี้ภาพรวมของตารางนะตารางที่หนึ่งนะช่องแรกนะช่องแรกของการตรวจสอบนะเวลาสแกนไปเราจะดูว่ามีในพระไตรปิฎกสี่สิบห้าเล่มไหมนะบาลีสามัฐตต้องเอาเข้าไปที่ต้นตอเลยนะเพราะว่าอะไร เพราะว่า <c oughs> พระมาหากรสปะสังคายนาทรงจำพุทธวจนะนะจากนั้นเนี่ยเมื่อการเวลาผ่านมาปุ๊บเนี่ยก็มีการเพิ่มเติมคำเข้าไปเพิ่มเติมคำเข้าไปเพราะนั้นจึงเรียกว่าอัธกถาเพิ่มเติมเข้ามานะเมื่อเพิ่มเติมเข้ามาปั๊บเนี่ยนะ <c oughs> มันก็มีทั้งข้อมูลตรงข้อมูลจริง คาดเคลื่อนบ้างตรงบ้างจริงบ้างอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราสแกนเนี่ยเมื่อเจอคําแล้วเนี่ยเราต้องแยกชั้นว่าคำคำเนี้ยอยู่ในอัธกถาหรืออยู่ในพุทธประณะเข้าใจไหมอ่าและข้อมูลในบาลีสามลัตตอนนี้คือข้อมูลที่เก่าที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ทุกสํานักในประเทศไทยใช้บาลีสามลัฐบาลีสามลักภาษาบาลีแปลมาเป็นบาลีสาัตภาษาไทยมหาจุฬาเพิ่งเกิดมหาจุฬาก็ไปหยิบบาลีสามัฐมาแปลเป็นเวอร์ชั่นของตัวเอง นะพระไตรปดฎกของตัวเองมหามุกุฎเพิ่งเกิดก็ไปหยิบบาลีสามลัทธนะที่เป็นภาษาบาลีมาแปลเป็นเวอร์ชั่นของมหามุกุฎท่านพุท ธ, ธาจัตเพิ่งเกิดก็ไปหยิบบาลีสามลัทธมาแปลเป็นห้าเล่มจากพระโอษฐ์อย่างนี้เอาเฉพาะพุทธวจนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราสแก น, นไหนสแกนในบาลีสามลัทธซึ่งทุกสํานักใช้ในการแปลอยู่เราไปที่ออริจินอลต้นต่อเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีไม่มีอยู่ที่นี่ เพราะข้อมูลนี้เกิดมา2 0 0พันกว่าปีแล้วเกิดมาก่อนอาจารย์ยุคนี้ทุกคนใช่ไหมทีนี้เราไปดูต่อเมื่อขั้นตอนที่1 น, นะถ้าใช่ใส่สีเขียวไม่ใช่ใส่สีแดงไปนะขั้นตอนที่สองเมื่อหาเจอในสี่สิบ้าเล่มแล้วเราต้องไปเช็คว่าคำคำนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์พุทธวจนะหรือไม่ก็คือว่าอยู่ในวลีคำพูดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหรือเปล่า ถ้าไม่อยู่อันนั้นไม่ใช่พุทธวจนะโยนทิ้งไปได้นะ่ะคำเหล่านั้นจะขึ้นต้นด้วยบทว่าที่ว่าความว่าที่บายว่าที่ปะปนอยู่ในพระไต่ปิดกซึ่งมีจํานวนมากมากกว่าพุทธวจนะนะขั้นตอนที่สามถ้าเจอคำคำนั้นแล้วนะกลับไปเช็คในบาลีอีกทีหนึ่งนะในภาษาบาลี ว่ามีหรือเปล่าเพราะบางทีมีการแปลเพิ่มเติมคําภาษาไทยปรุงแต่งคําภาษาไทยเพิ่มเติมเข้าไปตั้งแต่การแปลครั้งแรกนะจากนั้นเราจึงจะสรุปได้ว่าเป็นพุทธวจนะหรือไม่ไปดูว่ามีคําอะไรที่เป็นการเพิ่มเติมเข้าไปในการแปลครั้งแรกไปดูคําว่าอารูปฌานนะอรูปฌานพอเราสแกนไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเจอ เจอคําว่าอารุปฌานในพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐภาษาไทยนะแต่พอไปดูภาษาบาลีปรากฏว่าไม่มีนะไม่มีทีนี้เราไปดูโคลสตูใกล้ๆนี่คือที่ไฮไลท์สีน้ําเงินคือคําว่าอารุปฌานที่มีในบาลีสยามรัฐที่เป็นภาษาไทยหน้าคําว่าอารุปฌานมีอะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ นะหลังคําว่ารูกประชาญมีอะไรโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคไปดูภาษาบาลีนะตัวเลขข้อต้องอันเดียวกันนะอเล่มต้องอันเะดียวกันนะไปดูตัวเลขข้อร้อยห้าสิบแปดนะเนะี่ยหน้าที่ร้อยหกสิบนะตัวเลขร้อยห้าสิแปดตรงกันสุตตันตปิฎกเล่มที่หนะ้มามัชชิมานิกายมัชชิมมปัญนาถหน้าที่ร้อยิบเจ็ดตรงกันหมดไปดูภาษาบาลี เวทนาคตังสัญญาคตังสังขารคตังวิญญาณาคตังเพราคำต่อมามีไหมไม่มีใช้คำว่าเตธรรมเมนะหลังคำนี้เป็นอะไรอันนี้จะโตทุกตัโรคาโตโดยความไม่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นโรเห็นะแล้วไล่ดูทุกบรรทัดก็ได้จากบรรทัดแรกจนทั่งบรรทัดสุดท้ายก็ไม่มีคำว่าอรูปฌานนะแล้วพอตรวจไป ในพระสูตรอื่นทั้งหมดปรากฏว่าพระตถาคตไม่ไม่เคยใช้คำว่าฌานในระดับอรูปเลยพอเราสแกนคำว่าอารูปฌานปุ๊บเราจึงไม่เจอคำนี้โดยพุทธวจนะสแกนคำว่ารูปฌานเข้าไปอีกไม่เจออีกแล้วพระตถาคตใช้อะไรพระตถาคตใช้คำว่ารูปสัญญากับอรูปสัญญาสัญญาแปลว่าความหมายรู้ความเข้าไปหมายรู้ในรูป สมาธิอันเกิดจากการเข้าไปหมายรู้ในรูปสมาธิอันเกิดจากการเข้าไปหมายรู้ในอรูปเรียกว่าอารูปสัญญาและคำที่ใช้แทนได้ทั้งหมดเรียกอย่างว่าสมาบัติสมาบัติเก้าสมาบัติแดสมาบัติสี่มีมีหมดหรือใช้คาว่าสมาธิก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีคอมพิวเตอร์ในการที่จะตรวจสอบแต่ก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ตรวจสอบเนี่ยนะ เราก็ไปเปิดบาลีสามลัตอย่างนี้ทั้งภาษาบาลีภาษาไทยไม่เจอหรอกโยมหมดแรงก่อนจะหาคําคําเดียวก็หมดแรงแล้วนะตอนนี้เราสามารถเปรียบเทียบเอามาได้เลยว่าบาลีตรงนี้ภาษาไทยตรงนี้เทียบเคียงปั๊บปได้เลยบรรทัดไหนตรงไหนตรงไหนเป็นพุทธวจนะต้องไหนมีตรงไหนไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่น่าสนใจมากเราจะสามารถทําความชัดเจนให้กับพุทธวจนะขึ้นมาได้อีกมากเพราะอะไร เพราะคำของพระตถาโพนั้นเลิศที่สุดเลิศอย่างไรพระตถาโพธาเก่งการพูดอย่างไรสามอย่างหนึ่งพระศาสดานั้นกาหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดได้ไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวนะไม่มีใครทําได้เลยนะท่านตรัสไว้กับอ ค, คิเวสนะอ ค, คิเวสนะเรานั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิต อันเป็นในภายในโดยแท้เห็นไหมไม่มีใครทําได้และสองผู้เจ้าเก่งอย่างไรพระองค์บอกว่านับแต่ลาตรีที่พระองค์ตรสัสรู้ถึงปรินิพานคําของพระองค์ไม่มีการขัดแย้งกันเห็นไหมตัดไว้กับภิกษุทั้งหลายนะอย่างที่สามคำของพระตถาคตเป็นอักกาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่จํากัดการเพราะฉะนั้นแค่สามเหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่สําคัญมากนะ ในการที่เราจะต้องเข้าไปศึกษาพุทธวจนะต้องไปเข้าไปรู้การแก้กรรมที่ถูกต้องจริงๆว่าใครรู้จริงใครพูดจริงใครพูดได้ไม่ผิดไม่พลาดเห็นไหมพระตถาคตองค์เดียวเท่านั้นพระตถาคตจึงตัดว่าสุตตันตะเราใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกรองประเภทกราบกรนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคากล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นหลักุตะละป้าเฉพาะด้วยเล้งสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาอเล่าเรียนนะ เพราะฉะนั้นพระศาสดาสั่งอย่างไรฟังคําตถาคตและการไม่ฟังคําตถาคตไม่ศึกษาคําตถาคตไม่นําคําพระตะถาคตไปปฏิบัติไม่ถ่ายทอดคําพระตะถาคตต่อไปจะเป็นเหตุเสริมของพระสัตย ธ, ธรรมของพระศาสนาในอนาคตพระองค์เปรียบด้วยกลองสึกของกษัตริย์พวกทศารหัชื่ออานาคตกลองอนาคตนี้เมื่อตีไปตีไปในที่สุดก็แตกเมื่อแตกกษัตริย์ทศสารหะก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทําเป็นริ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตก ทำอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตูกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นนี้เป็นความอันตรธานของคําของตถาคตซึ่งเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้นี้ยืนยันโดยพระสูตรพระบาลีสามรัฐนะมีบาลีตรงกันหมดอันนี้อาตมาไปตรวจสอบบาลีของต่างประเทศทั่วโลกก็ตรงกันนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเช็คบาลีเราเช็คไปของทั่วโลกด้วย นะให้อุโสมะไปเช็คที่หอพระตาปิดกานาชาติที่อักษรศาสตร์อยู่ละเขาจะมีพระตาิดกทั่วโลกดังนั้นผู้นําประเทศที่มีสัมมาิมติจะช่วยกันปกป้องคําพระาศาสดาอรรมาบอกแล้วว่าคําของใครที่คนช่วยกันปกป้องช่วยกันถ่ายทอดช่วยกันนําไปประพฤติปฏิบัติศึกษาคําพระาศาสดาเพราะฉะนั้นให้เราเห็นความสําคัญของคําพระาศาสดาและพระตถาคตดัดย่างไรอีกคําของท่านนะ อย่าเติมอย่าตัดนะท่านตรัดไว้ในอปริหารนิยธรรมทำที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมข้อที่3นะว่าพวกเธอทั้งหลายอย่าบัญญัติเพิ่มหรืออย่าตัดทอนในสิ่งที่พระต ถ, ถาคตบัญญัติไว้เห็นไหมเพราะฉะนั้นคําใดก็ตามที่ไปเติมไปตัดนะไม่ดีหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราช่วยกันใช้พุทธว จ, จะนะช่วยใช้คําของพระศาสดาคําพระศาสดาจะได้ยืนยงดํารงอยู่ตราบนานเท่านาน แล้วลูกเราหลานเราเหรนเราจะได้รู้ในสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกับเราทุกวันนี้เรากําลังรู้ข้อมูลแก้กรรมที่ไม่ค่อยถูกต้องนักรู้การแก้กรรมที่คลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นเมื่ออาตมามาบอกปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมโยมงงเลยบอกไม่เห็นเหมือนกับสิ่งที่กระผมรู้มาที่อื่นเลยใช่ไหมแต่นี่ พิสูจ น, นในขัง้งุทตการคนในรั้งพุทตการที่ศาสนาพุทธแผ่ภัยศาลไปทั่วโลกนั้นเขารู้มานานแล้วแล้วเขาปฏิบัติตามนี้ทำให้เขาเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะนั้นตรงนี้เป็นวิธีตรวจง่ายๆนะ <c oughs> นะกล่าวมาพอสมควรคงจะได้ความรู้กันนะ เราอยากจะดูคำอะไรไหมที่ไปเช็คกันอีกนะลองไปดูตารางคร่าวๆแป๊บเดียวนะนั้นเรากำลังทำวิจัยเหมือนกันพระภัยบูรณ์กำลังให้ตั้งสถาบันวิจัยพุทธวจนะนะขึ้นมาใช้คอมพิวเตอร์สแกนตรวจสอบใช้หลักเกณฑ์ของผู้เช่าทั้งหมดเพราะผู้เช้าเนี่ยเวลาตรวจ <c oughs> ท่านมีหลักเกณฑ์ไว้หลักมหาประเทศสี่นะว่าถ้าคนอ้างว่าคำผู้เช้าเหมือนอาตมาเนี่ย อ้างอยู่ทุกวันนี้ตอนนี้ว่านี่คือคำพระตถาคตเธออย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านนะให้เธอนำคำเหล่านั้นเนี่ยไปเทียบเคียงในหลักธรรมหลักวินัยหมวดอื่นซะก่อนนะถ้าเข้ากันได้คำนั้นชื่อว่าทรงจำมาถูกถ้าเข้ากันไม่ได้คำนั้นชื่อว่าทรงจำมาผิดให้เธอละทิ้งคำพูดนั้นไปเสียนะอย่างที่สองอะไรคนแรกอ้างว่าจามาต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้า อันที่สองฟังมาจากคณะพระเถระอาวาสนั้นอาวาสนี้อันที่สามฟังมาจากคณะพระเถระผู้พหูสูตอาวาสนั้นอาวาสนี้อันที่สี่ฟังมาจากภิกษุรูปหนึ่งผู้พหูสูตอาวาสนั้นอาวาสนี้ให้เธอกําหนดเนื้อความนั้นให้ดีอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านนําไปเทียบเคียงในหลักธรรมหลักวินัยที่พระตถาคตตัดเอาไว้นะไม่ใช่คนอื่นพูดนะอ่า ถ้าเข้ากันได้คํานั้นชื่อว่าทรงจำมาถูกถ้าเข้ากันไม่ได้คํานั้นชื่อว่าทรงจำมาผิดให้เธอละทิ้งคาพูดนั้นไปถ้าเข้ากันได้พึงลงสันนิษฐานเถิดว่านี้คือคําของพระศาสดาแน่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาอาตมาบอกยืนยันกับโยมว่านี้คือคําพระศาสดาอาตมาจะยกพระสูตรที่หนึ่งพระสูตรที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเกสมาสนับสนุนเพื่อยืนยันว่าคํานี้เป็นคําของพระศาสดาแน่แล้ว อย่างอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์โกรธเกิดขึ้นมาหรืออารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจควรจะเลี้ยงไว้ไหมหรือควรจะทิ้งอาตมาจะยกอะไรหนึ่งการสํามวอสํัมลมินทร์สีพระตถาคตให้สํัมลมินทรีย์ทิ้งอารมณ์ไหมทิ้งใช่ไหมผู้ไม่สํัมลมินทรีย์คือผู้ประมาทผู้สํัมลมินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทนี่คําว่าไม่ประมาทพระเจ้าทิ้งไว้ก่อนปัจจุบานต้องสําคัญมากใช่ไหมพระเจ้าสอนให้ละนันทิ และความเพลินนันที่ขยาราคะโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคะขยาจิตตังสุวมุตติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคากราะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วดีดีสองละเห็นไหมพระเจ้าสอนในสัมมาสังกั ป, ปะให้ทิง้งอกุศลสอนในสัมมาวายามะให้ทิ้งอกุศลสรส้างกุศลขึ้นมาใช่ไหมอ่ <c oughs> าพระเจ้าสอนว่า ผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นนะไปดูพระสูตรเหล่านี้ก็ได้นะวิญญาณที่เข้าไปหาอารมณ์ย่อมไม่หลุดพ้นวิญญาณที่ไม่เข้าไปหารมย่อมย่อมหลุดพ้นนะหพระสูตรแล้ว6อะไรผู้เจ้าบอกพระเสกขะเธอต้องยุบต้องไม่ก่อต้องคว้างทิ้งต้องไม่ถือเอาต้องทําให้กระจายไม่ทําให้เป็นกองต้องทําให้มอดไม่ทำให้ลุกโพรงนะซึ่งอะไรซึ่งขันห้าขันห้าเกาะตัวเราต้องกระจายออกทันทีใช่ไหมผู้เจ้าตรัสไว้ในอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ เธอต้องทิ้งอารมณ์ให้เร็วดุจกระพริบตาอุเบกหายังคงเหลืออยู่ใช่มเจ็ดประศุทธแล้วพระศุทธที่8อะไรพระเจ้าให้ภิกษุเนี่ยสังวรสำรวมใจไว้ในกระดองเหมือนเต่าเต่าขดอเวัยวะในกระดองฉันใดภิกษุทั้งหลายพึงตั้งมนโนวิตกไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนาฉันนั้นมานผู้มีบาบจะทําอันตรายไม่ได้นะพระเจ้าจัดไว้ในกายยคตาสติว่าเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หชนิดจับปิงจับนกจับจระเข้จับสุนัขสุนัขจิ้งจอกจับงูเข้ามา มาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นมั่นคงนะพอปล่อยแล้วงูจะเข้าจอมลวกจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขทิงจอกจะไปป่าช้าลิงจะไปป่าต่างคนต่างยื้ยุดฉุดกันไปเมื่อหมดแรงแล้วมันก็จะมานั่งจาวนอนจาวอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักเสาเขื่อนเสาหลักนี้คือกายคตาสติะพระตถาคตให้ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติเห็นไหมนะเก้าพระสูตรแล้วพระสูตรที่สิบ ผู้ใดไม่บริโภคกายยัคตาสติผู้นั้นชื่อว่าไม่บริโภคอมตะธรรมผู้ใดหลงลืมกายยคตาสติผู้นั้นชื่อว่าหลงลืมอมตะธรรมกี่พระสูตรจริงๆมีมากกว่า น, นี้อีกมากนะักยกมาให้สิบพสูตรเห็นความสอดรับของคําพระาศาสดาไหมว่าพระาศาสดาสอนอะไรแล้วไม่มีการขัดแย้งกันนะเพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าเมื่อจิตเกิดรู้อารมณ์ใดขึ้นมาพระตถาคตบอกให้ทิ้งให้ไหวที่สุด การที่จิตไปรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนั้นขึ้นมานั่นคือการตั้งอยู่ของวิญญาณการปรากฏขึ้นของวิญญาณคือการปรากฏขึ้นแห่งชาติชลามรลณนะคือการปรากฏขึ้นแห่งกรรมนะและถ้ากรรมมีอยู่นะเราก็ต้องเวียนว่ายในสังสารวัตรเพราะฉะนั้นวิธีดับกรรมทำยังไงทิ้งอารมณ์ให้ไหวที่สุดกรรมดับ ท, ทันทีนะเพราะฉะนั้นอารมณ์อะไรที่โยมเครียดนะโยมรักก็ตามมันสร้างปัญหาได้ทั้งหมดนะ เราต้องรีบทิ้งให้ไหวที่สุดนั้นอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจผู้เจ้าจึงให้ทิ้งให้ไหวที่สุดเนี่ยเพราะว่าทั้งพอใจและไม่พอใจเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะบบาแวงได้ทั้งหมดมีจอมเทพไปถามพระตถาคตบอกว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันในสังคมทั้งมนุษย์เทวดายักษ์นาคอสูรคนทันไม่ใช่แต่มนุษย์มันทะเลาะกันอย่างเดียวนะมันทุกภพภูมิเลยมันทะเลาะกันหมดนะผู้เจ้าจึงบอกว่าเพราะธรรมะสองอย่างคืออิจฉาและตรณี อิจฉาและตะนีเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะ ก, กันขึ้นอยากยุติความรุนแรงยุติความขัดแย้งใช่ไหมฝึกปฏิบัติให้มากนี่อย่างยูพูดมาพาปฏิบัติเนี่มาฟังธรรมมากๆนี่นี่สอดรับกับคำพูะเจ้าทำให้เป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมได้ยินได้ฟังธรรมพระตถาคตแล้วก็เอาไปฝึกหัดประพฤติปฏิบัติเรียกเป็นอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคําเทศสอนเราก็จะได้มีการฝึกกายวาจาจิตของเราให้ดีงามตามที่พระศาสดา บ, บอกได้ใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อทําอย่างนี้นะเราทิ้งอารมณ์ไปเรื่อยๆนะวิญญาณจะตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ใดนะกรรมก็เกิดไม่ได้กรรมเกิดไม่ได้เราก็สามารถเข้าถึงวิมุตต์หลุดพ้นเข้าสู่อมตะทํารรมได้ที่ใดไม่มีรูปนามที่ใดไม่มีวิญญาณนั่นแหละคือที่สุดของทุกจะไม่มีการมาการไปของจิตเห็นไหจิตถ้ายังมีการมาการไปอยู่พระเจ้าก็เรียกว่า ยังมีการเกิดการดับของวิญญาณอยู่นั่นเองพระตถาคตตรัสอย่างไรนติยาอสติอาคติคตินหโหติถ้าความน้อมไปไม่มีการมากันไปจะไม่มีอาคติคติยาอสติจูตูปปาโตนหโหติถ้าการมากันไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นก็ไม่มีเคลื่อนคือตายนะอุ ป, ปตาตะอุบัติคือเกิดนะจูตูปปาเตอสติในวิธานาหุรังนะอุพยะมันตะเล ถ้าการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกสะนั่นแหละคือที่สุดของทุกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะหยุดการมาการไปของจิตได้ผู้เจ้าบอกนั่นแหละคือที่สุดของความทุกนะจะไม่ต้องมีการเกิดการตายต่อไปนะเพราะฉะนั้นเวลากังวลเรื่องอะไรให้ละทิ้งไปให้ไหวที่สุดเพราะสิ่งที่เรากังวล น, นั้น คือวิญญาณกาลังเข้าไปตั้งอาศัยอยู่แล้วนะวิญญาณตั้งอาศัยอยู่ในที่ใดาชาติาวนะเกิดที่นั่นกองทุบเกิดที่นั่นจิตคิดถึงสิ่งใดอยู่ดําริถึงสิ่งใดอยู่หรือมีจิตฝังลงไปปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณคำนี้จำให้ดีๆพระสูตรนี้จาให้ดีๆนี่ดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่และย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อม <He S 1> มีเห็นมะมถ้าอารมณ์ย่อมมีวิญญาณตั้งขึ้นได้เมื่อวิญญาณ น, นั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญ ง, งอกงามแล้วความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเมื่อความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปมี ชาติชราเมรณะโสกกะปริเทวทุกขะโทมนะปายาศาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้กรรมมีได้เพราะอย่างนี้นะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกสิ้นทุกก็สิ้นกรรมนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการพ้นจากความทุกต้องการอมตะธรรมต้องการมรรคนิพพานวิญญาณสร้างอารมณ์แล้วรีบดับให้ไวดีดนิ้วบ่อยบดีดนิ้วบ่อยบอารมณ์จะได้ดับ อย่างรวดเร็วนะวันนั้นอาตมายืนยันโดยพุทธวจนะล้วนทั้งหมดนะวันนั้นเวลาจะยืนยันจึงต้องให้อวุโสมาขึ้นบาลีสามลัฐให้ตลอดเวลาและบอกวิธีสแกนนะสแกนเช็คพุทธวจนะไม่ต้องสแกนกรรมสแกนพุทธวจนะนะแล้วหมดสิทธิสแกนกรรมเพราะอะไร ไปดูมิกขสลาสูตรผู้เจ้าตรัสว่าเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตตถาคตคนเดียวรู้ดีเรื่องกรรมนอกนั้นไม่ต้องไปรู้เลยจะมีเหตุแต่ความเป็นบ้าน ะ, ะเป็นอจินตา ย, ย่างหนึ่งที่ผู้เจ้าให้อย่าไปคิดอย่าไปคิดอย่าไปซอกแซกเรื่องกรรมใช่ไหมกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบแค่นี้นะรู้ว่าเจตนาเป็นกรรมเหตุเกิดความดับเวมิตตาแห่งกรรม วิบากของกรรมวิธีดับกรรมรู้แค่นี้พอยังอื่นอย่าไปอยากรู้มากใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตัดว่านะเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคล น, นี้ใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตเพราะเหตุนั้นแลอานน์เป็นยังไงเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ที่ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้ เก่งเท่าพระตถาคตไหมล่ะถ้าเก่งเท่าก็สแกนต่อไปถ้าเก่งไม่เท่าอย่าไปสแกนใช่ไหมนี่พระศาสดาตัดไว้เมื่อ2องพกว่าปีแล้วช่วยช่วยฟังหน่อยนะช่วยฟังช่วยศึกษาหน่อยและถ้าความเห็นเราไม่ตรงกับพระศาสดานี่จะไปสอนพระศาสดาไหมบอกว่าท่านต้องเปลี่ยนความเห็นนะผมความเห็นดีกว่ามันไม่ได้น ะ, ะเราพุทธบริษัทเนี่ยเรายอมรับผู้เจ้าหมด พระสารีบุตรเลรื่อทางปัญญาพระโมคคัลลานะเลิ่ทางลิทธิ์ยังไม่มีใครกล้ากับผู้เจ้าเลยเพราะว่ารู้ว่าต่างชั้นกันมากนะผู้เจ้าสร้างบา ร, ร, รมีมามหาศาลใช่ไหมวันนั้นนี่แหละอยากให้เห็นความสําคัญในพุทธวจนะนะถ้าเราศึกษาแล้วยมจะได้คําตอบทุกเรื่องนะแล้วเดี๋ยวนี้เรามีคอมพิวเตอร์ง่ายคนยุคใหม่ๆเล่นเป็นอาตมาตเล่นไม่เป็นต้องอาศัยพระรุ่นหลังๆที่เก่งคอมพิวเตอร์นะช่วยสแกนเช็คตรวจสอบ นะแล้วแตมาจะช่วยวิเคราะห์ให้แล้วก็หลังจากวิเคราะห์คำต่างๆแล้วก็เลยเอามาถ่ายทอดบอกสอนให้พวกเราเพื่อที่จะได้เป็นไงตาสว่างตาสว่างนะอ่าจะได้รู้ว่าเอจริงๆพระาศาสดาพูดอะไรพระาศาสดาเคยตรัสอะไรไว้เราเคารพพระาศาสดาไม่ใช่หรือภิกษุทุกรูปในประเทศไทยก็เคารพพระาศาสดาไม่ใช่หรือใช่พุทธบริษัททุกคนก็เคารพพระาศาสดาไม่ใช่หรือเราทุกคน ต่างต้องการความจเจริญของพระศาสนาไม่ใช่หรือใช่ไหมแล้วความจเจริญ น, นั้นมีได้อย่างไรหนึ่งจดจําบทพัญชนธะการมาถูกความหมายถูกอธิบายถูกสองภิกษุต้องเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอน้วยความปลอบหนักแน่น 3. ภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินยัยทรงแม่บททรงมาติกาต้องเป็นผู้ที่ขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้น น, นแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปเห็นไหม สภิกษุที่เป็นเถระแล้วปวดนานสิปีขึ้นไปน่ยต้องไม่เป็นผู้นําในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมปราบความเพียนให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่ไมบรรลุนี่คือความเจริญศาสนาสีข้อนัยยะที่1นนัยยะที่2ช่วยกันเจริญสติปัฏฐานสี่นัยยะที่3 1. ฉลาดในอายจตนะ2ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทอายจตนะกุศลตาปฏิจจสมุปปาทกุศลตาทํา3อย่างนี้ นะเห็นไหมศาสนาจเจริญแน่นอนเพราะฉะนั้นศาสนาจเจริญหรือเสื่อมอย่าไปคิดเองนะไม่ใช่ว่าอืมต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะอืมแล้วจ ะ, จะเจริญ น, นะก็ไปคิดกันสารพัดแบบใช่ไหแต่มีใครเคยคิดอย่างพระตถาคตบ้างเพราะฉะนั้นเรากำลังนำพาพุทธศาสนาไปสู่ความจเจริญหรือไปสู่ความเสื่อมนะช่วยกันคิดดีๆนะอ่าอันนี้ต้อง โยนปัญหาไปให้พวกเราช่วยกันคิดและจริงๆแล้วความเจริญของพุทธศาสนาอยู่ในกามือพวกเราทุกคนเพียงแต่ทุกคนกลับมาใช้คำพระาศาสดากลับมาใช้คำพระตถาคตอาตมาไม่ได้แนะนำให้โยมไปใช้คำของเจ้าละที่อื่นเลยคำของศาสนาศาสดาอื่นศา ส, สนาอื่นไม่เคยเลยนะแต่บอกว่าให้ช่วยกันมาใช้คาของพระตถาคต ปฏิบัติตามคำพระตถาคตแล้วถ่ายทอดคำพระตถาคตออกไปทำสามอย่างนี้ศา ส, สนาเจริญเราก็หลุดพ้นด้วยนะนะก็คงจะได้ความรู้กันพอสมควรจากการได้มาฟังทรรมกันในวันนี้นะและพ่วงเวลาต่อไปก็ะจะพานั่งสมาธิซะสักระยะหนึ่งนะหลัจากนั้นจะเป็นการ ให้โอกาสในการถามตอบปัญหานะใครมีปัญหาอะไรก็จดใส่กระดาษแล้วส่งมาให้ต่างเจ้าหน้าที่ได้นะ